ท่านนต่อเนื่ไปขอบรรดาท่านพุทธวา ร, รีสัจธรงหลายตั้งใจฟังคําแน่นอเมการปฏิบัติสักครู่หนึ่งการเจริญด้วกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธวารีสัจโดยเพาะอย่างยิ่งท่านนี้มาใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าการเจริญดรวยกรรมฐานวันนี้ ทำไมจริงไม่ให้ใช้คำวานาแบบเก่าๆตามที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งนี้เราได้โปดทราบว่าคำวานาที่ภาวนาอย่างไหนก็ได้ไม่จำกัดนั่นเป็นการปฏิบัติในขั้นของสุขาิปปสโกในการเจริญพระธรรมฐานนี่มีทั้งสี่หมวดเป็นหนึ่งสุขาิปปสัโก หมดนี้ภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามมัตยายัยถ้าไม่หวังกรรมฐานสีส่สิหวังว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทิ้งทานสมาบัติแล้วก็ใช้วิปาาัสสนาญาณพระวิปัสสนาติกิเลตุเป็นสมุเทเหตระหานอย่างนี้ไม่จำกัดทำภาวนาแต่ว่าได้สุขวิปัสสโกนั่นแหละถ้าว่าหวังรงกรรมฐานสี่สิ ก็ต้องเปลี่ยนคำภาวนาเป็นสี่สิบอย่างตามกฎที่วางไว้ขนา บ, บอีสาขค้างคือเซวิโโชชละตินโยปุิสัมวิทัปปะโตมีคำภาวนาอย่างลหลายหลายแบบลหลายชนิดแต่ถ้าว่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ พ, อ บ, บพอบันนี้ขบรรดาท่านพระตุเปรติมาใหม่ตรวจสอบ ว่าคำภาวนานใช้คำภาวนาวันนะมะพะทะอวสาวนะัมมะพะทะที่ย้ำเี็วเกลว่าจะฟังไม่ถนัดเวลาภาวน า, นาใช้แบบนี้เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะ แล้วก็เวลาเขาานายก็ดีรู้ลมให้ใจเขา้าใจออกก็ดีปลยลมให้ใจไปตามสบายอย่าบาังคับลมให้ใจให้แรงแๆหรือหนักหน่วงจะไปรู้ง่ายๆอันนี้ไม่ถูกต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติอาจิตเข้าไปรักษาบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าแล้วคนไม่ปวดหนะม้ เวลาลมหายใจออกแล้วมันนึกปวดพระพระปล่อลมหายใจตามสบายแล้วก็วาดเบาๆจะพ่าไม่ไม่ต้องว่าออกเสียงนึกตามจะได้ไม่เหนยแล้วก็ราการที่สองการภาณนานี่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงไม่ต้องทำเลยพรอารมณ์ให้สงบจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมดปล่อยลมไปสบายลมตามสมชบาย อารมณ์จิตได้วยแท่นไหนก็ปล่อยไปตามแท่นนั้นหูยังได้ยินเสียงอยู่ก็ชั่งไม่ต้องไปบังคับหูไม่ให้ได้ยินเสียงในบางวาระภาวนาไปภาวนาไปว่าจะเผอไปบ้างก็ปล่อยอนุเชื่มันได้แบบเผลอไปก็จะเพิ่มตนใหม่หายใจเข้านึกว่านะมาหายใจออกเทวดาเท่าไป อ, อีกอีกสักครู่หนึ่งมาจะเผอไปบ้าง รู้ตัวก็ดินกับมาใหม่อย่างนี้ใช้ได้ยังไม่ใช่ว่าในช่วงภาวนามันจะไม่นึกะะอะไรเสเลยนี่เราห้ามมันไม่ได้แต่ความจริงแล้วก็ไม่อยากให้มันนึกอย่างอื่นแล้ไปที่จิตมันกินแต่เวลาที่ภาวนาอยู่เนี่ยเขาต้องการให้จิตเป็นสมาธิทำให้มมสมาธินี่ก็ไม่จําเป็นต้องหูไม่ได้ยินอะไรเลย ถจิตมันจะเป็นหลงเปฟ้าอย่างอื่นมาบ้างก็ไม่จําเป็นโอได้ยินอะไรก็ช่างจิตจะไปฟ้าอะไร อ, อื่นมาบ้างก็ช่างรู้ตัวก็ตัดมันไปเริ่มภาวนาใหม่เมื่อทําได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้าจิตค่อนข้างตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธินี้ เราพุทธเจ้าเป็นตัดว่าเป็นจิตที่ตั้งมีนายลมเป็นคิดพอดีพอดีหมายความว่าถ้าจิตเป็นฌานก็เลยไปเริ่อความเป็นคิดถ้าต่ำโง่ปรจารสมาธิคิดมากเกินไปก็จิตก็ไม่เป็นคิดอีกเหมือนกันต้ว่าไปแบบสบายๆเท่ากับเผลอบังดึงมันได้บ้างแต่ว่าดึงมาได้มากกว่าเผลอ จงอยู่ในมากกับผออย่ามีได้อุปจาระสมาธิแต่ในขณะที่ภวนาอยู่นี่จงอยากนึอยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าเป็นการที่ต้องการให้จิตมีกําลังถ้าไป น, นึกอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตก็เลยหมดกําลังใช้งานซะก่อนอย่าเพิ่งใช้งานจิตเอาตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกก็คำภาวนาเท่นั้น เมื่อจิตมีกำลังพอสมควรเร็วป จ, จารสมาธิอารมณ์ก็ไปคิดตอนนั้นเมื่อเวลาได้ชัย่าจะมีคนเข้าไปแนะนำท่านตอนที่คนเข้าไปแนะนำนี่ตอนนั้นก็หยุดคาภาวนาที่ไม่หมดแล้วก็ไม่สนใจก็ลงให้ใจเขาออกฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำบอกยังไงตัดสินใจไปตามนั้นในขับท่านผู้ใหม่นะี่ ขนาดท่านเรใหม่วิธีปฏิบัติก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแต่ต้องระวังใจเพาท่านนั้นมันทรงตัวจริงๆแต่ว่าแค่นั้นเป็นวิธีปฏิบัติแต่การใช้กาลังใจนี่ต้องฟังต่อไป น, นี้ด้วยการใช้ก <c oughs> ํากลังใจถ้าท่านทาไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีผลถ้าใช้กาลังถูกต้องตามที่จะบอกต่อไป น, นี้และต่อคืนนี้มีผลแน่นอน สวรรค์อยู่ที่ไหนท่านจะไปสวรรค์ได้ตรมอยู่ที่ไหนท่านจะไปโรมได้นิพพานอยู่ที่ไหนท่านจะไปนิพพานก็ได้ถ้ามีเวลาทูรก็าอาจจะพาไปนรกไปดูนรกบ้างไปดูเครื่องสร้างดูสกายบ้างดูสติเรฉานบ้างแล้วก็สําหรับท่านที่ได้ผ่านมาแล้ววันนี้ก็มีการฝึกษายานแปด นอกจากจะรึกอารมณ์ให้เป็นที่รู้สวรรค์นู่นนรกนูนนิพพานและก็ยังมียานแปดเป็นเอีกสาหรับยานแปดนี่ต้นหนึ่งทิฏยคุาณการเห็นผีเห็นเนืดนนรกสวรรค์รู้อารมณ์รู้ของที่ลี้ลับเรียกว่าทิฏยคุ ย, ยาณสาหรับผู้ที่ได้มาแล้วก็ได้มาแล้วตั้งแต่มาเกิดต้งวานไม่ดี อันนี้แบนดับสนแต่ว่าอย่าทิ้งนะทิ่งอยู่หัวยานนี่ทิ้งไม่ได้เ้ราให้กล้องตัวต่อไปก็ไปประการฝึกยานที่สองแต่ความฝึกไม่ไม่จริงจริงไม่ถือว่าฝึกถ้าเราได้โมโนยิที่แล้วมันมีกำลังสูงกว่าเป็แต่เพียง ว, ว่ารู้จักเอาสิ่งนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นของที่เรามีอยู่แล้วเราไม่รู้จักใช้ถ้าฝึกจริงจริมันยากมากแต่คนที่ได้โมโนยิที่แล้วของเรามีก็ติดตามมาเลย ว่าไม่แนะนำกันไม่รู้วิธีใช้ก็ไปบอดเฉยๆไม่ได้ใช้ของอันดับที่สองยานที่สองก็เป็นจุตูปปาติยานจูตูปปาติยานนี้ถ้าเราสุขจึงคร่งเห็นคนเห็นสัตว์เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้และสัตว์คนนี้ก่อนจะมาเกิดเป็นคนนี้เขามาจากไหน ถ้ายิงข่าวคนตายไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้รู้ประวัติเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนตายที่ตายแล้วไปไหนอย่างนี้เรียกจุตุปาปาตียานต่อไปก็เป็นเจตุปิยญานเราได้ยินชื่อคนเราจะรู้ได้ทันทีว่าจิตใจของคนนี้เป็นใจดีหรือว่าใจเลว เป็นปุบติชนคนธรรมดาถ้าเป็นผู้ทรงฌานโลกีหรือว่าเป็นผาเดียเจ้าเรารู้ได้นั้นต่อไปอีกอันก็เป็นภูเบนิวาสานุสติยานเราสามารถจะเึกชาติไปหลังชาติี่เราได้ตามลำดับไม่ขัดห้อง เราเคยเกิดเจออะไรมาบ้างเรารู้หมดพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรตัวเราชืา่อไรเมียชื่อยังไงมีความดีความเดิน ค, ความลําบากยากแค้นเป็นยังไงเรารู้ประวัติเดิมเราดเดมมหมดได้ทุกชาตแล้วะต่อไปก็มีอาตีต่างสียานสามารถร้เหตุการณ์ในดีที่ดูมาแล้วของเราเองของคนอื่นของสัตว์ของสถานที่ แนายขต า, านัญญาณรูอนายโค ข, ะขะนะของเราด้วยของเขาด้วยเขาสถานที่ด้วยปัจจุบันังสัญญาเวลานี้ใครอยู่ไกลแสนไกลมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็มีความสุขหรือความทุกข์อยู่ยังไหนทําอะไรอยู่เราก็รู้ได้แล้วก็แยกผากรร ม, มตา ย, ยานญาณตัวนี้ถ้าเรามีความสุขก็มีความทุกข์มีคนแฝงแกล้งไม่มีคนส่งเสริม เราจะรู้ว่าถ้าสอนเราทำอะไรไว้เพืให้ผลเป็นอย่างนี้นี่เองเขาใคก็มีความสุขก็มีความทุกข์เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนที่มีความสุขความทุกข์นั้นก็ อ, อาศัยกรรมอะไรค่กันถ้าอาศัยกรรมอะไรบันดาลทำเติมยานทั้งหมดนี้ถ้าฝึกได้ทําให้คล่องจะมีความสบายใจมากที่จะเป็นสุขนี่จะนึกว่าท่านที่ปฏิบัติใหม่ วันนี้ยังไม่ได้กับเขาถ้าปฏิบัติได้แล้ววันนี้พรุ่งนี้เขาจะสอนยานแปดให้สําหรับท่านที่ได้แล้วซักซ้อมไว้เสมอเสมอเพื่อการทรงตัวของยาณแปดเพืความคล่องแคล่วแล้วก็จงอย่าทิ้งไม่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะทรงจริงๆ จ, จะมีผลจริงๆคือว่าท่านที่มาปฏิบัติใหม่เพื่อต้องการให้ได้ใน ว, วันนี้ แล้วก็ท่านที่ปฏิบัติเกา่าต้องการให้ยานต่างๆที่ได้แล้วไม่เสื่อมแล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปสุกวันจะต้องรักษารมใจของเราต่อไปนี้เป็นปกติอันดับแรกให้มีความรู้สึกอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะมีสามีมีปัญญามีบุตรดามีลูกมีหลานมีเหลียญเงิ น, งนตาม ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนแวดล้อมมากแต่เราก็เป็นคนคนเดียวอยู่เสมอเรื่อส่วนหนึ่งของเราเป็นคนคนเดียวนั่นก็คือร่างกายของเราเองร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เป็นสองคนไม่เป็นพวกมากเพราะอะไรรู้ว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็นเด็กถ้าเราจะเป็นหนุ่มหรือสาวเราก็เป็นของเราคนเดียว ไม่มีใครก็ไม่ช่วยให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเราเป็นหนุม่มเป็นสาวจะเร็วตามการเวลาก็ไม่มีใครสามารถจะมาแกล้งให้เราเป็นหนุม่มเป็นสาวช้าไปได้เป็นอันว่าเราก็เป็นเราคนเดียวไม่มีธรรมาห้ามปรามได้นี่หนึ่งเป็นจุดหนึ่งแล้วจุดที่สองเมื่อถึงเวลาเราเป็นหนุม่มเป็นสาว ตอนที่เราจะแก่มกันค่อยๆแก่ไปช่วันทุกวันอันนี้แปลว่าเราแก่แล้วมันไม่ดีถ้าคนอื่นเขาเชสียดายว่าถ้าเราแก่แล้วเรียวแรงมันน้อยปัญญามันไม่ดีความคล่องตัวไม่ดีเวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวท า, างานคล่องช่วยเหือคนดีเขาไม่ต้องการให้เราแก่ถ้าจะมาดึงแบ่งความแก่จะไปเราจากเราไปคนนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เราแก่เขาก็ทำไม่ได้เหมือนกัน เมื่อความแก่ไม่ยด้เข้ามาถึงเรามันก็ต้องแก่ <c oughs> เรงความเราก็ต้องแก่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาแบ่งความแก่ของเราเลยได้ <c oughs> ต่อมาในขณะที่ทรงตัวอยู่นี่ถ้าบังเอิญเราจะป่วยไข้ไม่สบายสมมติว่าเราไปหวัวหน้าบ้านไปหวัวหน้ากลุ่ม ถหัวหน้าบ้านหัวหน้ากลุ่มเจ็บป่วยด้วยคนเดียวคนในกลุ่มในบ้านนั้นก็มีความลำบากเพรขาดหัวหน้าต่างคนทุกคนก็ไม่อยากให้หัวหน้ากลุ่มเจ็บไข้ไม่สบายแต่มีใครบ้างไหมที่จะมาช่วยแบ่งความป่วยไข้ของเราไปคนคนเล็กคนน้อยเราจะได้ไม่ป่วยไม่ไข้มันก็ทําไม่ได้เมื่อเราจะปว่วยเราก็ต้องป่วยคนเดียวคนอื่นช่วยป่วยไม่ได้และแบ่งป่วยก็ไม่ได้ เนื่องจาความตายมันขยันเข้ามาถึงเราคนทุกคนที่เขมีความรักเรามีความหวังดีต่อเราถ้าเขาไม่ต้องการให้เราตายเขาจะแบ่งความตายไปไว้คนเล็กคนน้อยเขาก็ไม่ตายแต่ว่าร่างกายพุดไปนิดหนึ่งรรงแดงหมดไปหน่อยหนึ่งไม่ว่าสุขภาพโทรมไปนิดหนึ่งก็แบ่งกันไปคนละน้อยแต่น้อยเกิดแบ่งไปเพื่อไม่ตายเขาก็ไม่ตายเราก็มีความสุขในความสบายเขาก็แบ่งไม่ได้ เราก็ต้องตายคนเดียวตอนนี้ขอทุกท่านจงทักสายกำลังใจไว้อย่างนี้เว่าเราจะอยู่สักทีคนก็ตามเราก็คือคนคนเดียวเวลาที่เราหิวเราก็หิวคนเดียวเราร้อนแล้วก็ร้อนคนเดียวเราหนาวล้วก็หนาวคนเดียวเราป่วยแล้วก็ป่วยคนเดียวเราแก่แล้วก็ exhales, วแก่คนเดียวเราจะตายเราก็ตายคนเดียว แต่ว่าคาว่าคนเดียวในที่นี้ไม่ได้ตัดความเมตตาและความกตัญญูของท่านเรารู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเราคนเดียวก็จริงแหละแต่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำถา้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นหัวนหน้าและเป็นคนใต้บังคับบัญชางานทุกอย่างในหน้าที่ทําให้ครบค้วนทุกอย่าง อย่าให้บกพ้องการทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้เป็นความถูกต้องทำให้ครบทุกอย่างไม่แค่วรู้สึกว่าคนเดียวแล้วก็เลยไม่คบใครไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำนั่นแหละจะเป็นคนเดียวไม่ได้จิตงนินจะวุ่นถ้าเราทำให้ครบเรามีข้าวกินเรามีกับกิ น, เ ร, เ, นเรามีเงินใช้เรามีที่อยู่ ตามสงวนแต่ฐานะความกังวลของจิตมันก็ไม่มีเมื่อความกังวลของจิตไม่มีจิตแล้วก็เป็นสุขเพราะว่าเราจะเป็นสมาธิของเรานี่เราทําสมาธิเรา ท, ำทํำนิปัสนาก็สบายงานกัางวันมีอะไรบ้างทําให้หมดทําให้ครบอย่าเป็นค้างงานวันนี้ยัยค้างทถ้งวันของนี้เวลาจะเป็นสมาธิจิตจะเป็นสุขถ้าค้างแล้วก็จิตมันกังวล อีกราการที่สองงานได้ความกตัญญูรู้คุณทรงเคารพคนผู้มีคุณอันนี้ต้องทําให้หนักถ้าทำหนักแล้วก็ผลการปฏิบัติมีผลมากและก็เวลาที่เราปฏิบัติสมาธิเนี่ยเวลานี้เราตัดความหงอยอะไรเั้งหมดคิดว่าเวลานี้เราคนเดียวจริงๆ ลูกหลานเลนลรพาธรรรมธุรกิจให้ครบทุกอย่า ง, ลงแล้วไม่ห่วงแล้วเวลานี้เราห่วงเราคนเดียวแล้วก็นึกไปทีว่าเอาเ อ, เอตัวเราถ้ามันจะตายเวลานี้เราห่วงไหมเนี่ยแล้วก็ต้องรู้ตัวเราวะ่ะหนึ่งอันดับแรกเราไหว้พระรัตนกรัยคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เวลานี้เราได้ไหว้พระอริยเจ้าคือมีพระเจ้าเป็นประธาน ถ้าเราตายเวลานี้อย่างเร็วๆเรวก็เป็นเทวดาไปสวรรค์สเดวาเดไมันก็ดีกว่าความเป็นมนุษย์ที่นั่งอยู่เวลานี้เรามีโอกาสจะมาทานศีลศีลก็ดีมากศีลนี่บอกสีเลยนะเกิดจริงยันติตายแล้วไปสวรรค์ถ้าไปเกิดเป็นคนใหม่ก็มีความสุขเปความทั้งบุญมีความสวยสดชุดงามมากสีเลยนะครูก็สมัครใจ เป็นเทวดาก็มีที่ปสมบัติมากเกิดเป็นคนก็รำ่ำรวยมหาศาลสีเลยในนิพจติยันติเรามีสินสินยาพาเราไปมีผ่านในเลยแต่สินใจว่าถ้ามันตายเวลานี้ก็ช่างมันที่ร่างกายตายจากคนเป็นเทวดาจะไปทิ้งไดอะไรกับมันแต่สินใจว่าถ้าตายเวลานี้ก็ช่างอย่างเลวที่สุดฉันก็ไปสวรรค์ เป็นเรว ด, ดาดีไม่ดีสีเลยรนด้กริงยันติสีที่เราษาด้ดีแล้วพาฉันไปสวรรค์นี่สบายมากตัดสินใจไม่ห่วงไม่ใหญ่คนอื่นและไม่ห่วงไม่ไม่ห่วงใหญ่ร่างกายฉันด้วยนี่สรรมฐานนี้ไปได้ดีนะเอียกคัาถาว่าทุกคนตัดสินใจได้อย่างนี้แล้วก็คืนเนื่อคนที่มาใหม่ทุกคนได้จำใส้ชัดเจน เห็นสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวด า, หา เ, วเห็นปฐมเห็นตระหันเหิพานเป็นะไรเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเห็นภาวะนิพพาน่าเป็นที่ชื่ในใจของทุกคนทั้งหมดแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ไปไม่ได้จะมาโทษกันนะบอกแล้วเตออรียมการแลการปฏิบัติวันนี้ให้ตัดทิ้ใจไว้โดยเฉพาะว่าเราปฏิบัติเพื่อนิพพาน ่าไปตีตัวก่อนใขรว่าเราปนิปทานไม่ได้เขาจะบอกไว้ให mm ้ hmm. ที่พระพุทธ้จ้าบอกว่าปุพเพและตะปู ญ, ญีตตาคนทุกคนน่ะถ้าต้องการในการจเจริญสมถกรรมาฐานนิพพานกรรมาฐานโดยที่ไม่มีใครจา้างโดยที่ไม่มีใครบังคับและก็ไม่มสัจที่ว่าจะมันดูเขาทา ตั้งใจเรื่อเลยว่าไปเข้านี้ฉันอยาเกเขียนได้ยานต่าง ๆ, ๆที่เขาได้กันมาด้วยความสนใจมาด้วยความเจริญใจ <c oughs> อย่างนี้ด้วยมาด้วยสักการะพระพุทธเจ้าท่านเรียกคนประเภทนี้ที่เรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตาถ้าว่าปุเพกะตะปุญญาตาในหมายความคนพวกนี้นหละตั้งสมบุญบา ร, รมีมามหาศาล นับเป็นนับเป็นสงไขอาศงไขกับไม่ใช่สงไขกับเดี่ยวนับเป็นหลายหลายอางขากับถ้าว่าทึ้งโดยปฏิบัติเ่นเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติทิ้งขั้นปรมัทิตปฏิบัติในปร ม, ม, ปรมาทิสเราเป็อย่างยิ่งถ้าเรียกเป็นบารมีเขาเรียกปรมัตาทบารมีใช่ไหมเป็นบารมีที่มีความสงสงมาก แต่คนใดที่มีบา ร, รมีเป็นบา ร, รมิตบา ร, รมีนะี่ยคนทุกคนประเภทนั้นมีหวังนิพพานในชานี้ทุกคนเว้นมแต่ว่าถ้าว่าท่านผู้ใดไม่รู้จักใช้บา ร, รมีให้เป็นประโยชน์มันก็จุดบอดกันไปแอนี่ไปนิพพานได้ก็ไม่ได้ดไปเหมือนกับคนที่มีความโง่มีเงินอยู่ในกระเป๋ามากๆแต่ไม่รู้จักใช้เงิน เดินหิวกับตายเสื้อขาดกางเกงขาดหมกขาดรงเข้าขาดก็ลุ่งขาดลุงด่งลิงลุง่งลิ่งไม่มีอาหารกินก็หิวโซเซโซเซเป็นเรื่องแท้จริงเอเงินในกระเป๋ามันใช้ได้เสื้อเสือ้อเสื้อเสืออเสอ้อหมกเสื้อรงเท้าเสื้ออาหารกินได้แต่มันใช้ไม่เป็นเพราะความโง่ก็ต้องหิวแบบนั้นอดดีไมด่ดีอดตายไปเลยไม่รู้จักความสุขในการมีทรัพย์ ทางนี้เท่าไรก็มืแต่คนที่มีบา ร, ร, รมิตบารมีมีบา ร, รมีเต็มสั่งสมมีแล้วอย่างนคนที่พอใจในการเจริญประตมัทฐานได้ศึกษาแท้เนี่ยถ้าปล่อยบา ร, รมีไม่สั่งสมต่ออีกนิดหนึ่งไม่หวังพระนิพานชาตินี้ก็ไม่ได้ปฏิพานถ้าชาติต่อต่อไปถ้าไม่หวังอีกก็ไม่มีโอกาสจะปฏิพาน ถ้าหวังตั้งใจไปในพันชาติไหนก็ได้ไปนั้นที่นั้นขอทุกคนที่มาเนี้รู้ตัวไว้ด้วยว่าที่ท่านมาด้วยความตั้งใจจริงนะไม่ใช่สักแต่ว่ามาต้องการปฏิบัติจริงเวลานี้ก็ตัดสินใจจริงรู้ตัวนี่เราเป็นคนปฏิบัติแบบนี้มันหลายสองขายกับเราเป็นคนที่มีระเบิดรมีเต็มที่เรียกว่าปรมาติรมี เรามีสิทธิ์ที่จไปนิพพานในชาตนี้แล้วเราจะเกิดปันทอีกเกิดเป็นมนุษย์ก็ลําบากเป็นเทวนดาถพระพงศ์ก็ใหม่เป็นเรื่องเราไปนิพพานดีกว่าตอนนี้ที่อยจะไปนิพพานจะต้องกันนรกซะก่อนอันดับแรกต้องกันนรกซะก่อนมีทีกันนรกก็คือให้ตัดสินใจแบบนี้นะ ว่าต่อไปอีกถ้าบังเอิญจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ตามทำบาปโกรธสนมัทหลาก็ตามเราไม่มีโอกาสลงนรกแน่นอนเพราะบาปโคนนั้นลกคนณแล้วไม่ได้ตามแล้วไม่ทันต้องทำใจแบบนี้นะทำใจแบบนี้ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปตั้งใจเว้เลยจนกว่าจะตายทำใจแบบนี้ทำไงคืนหนึ่ง เราใช้ปัญญาพิจารณาวา่าพระพุทธเจ้าดีไหมถ้าทำดีไหมพระอริยสงฆ์ดีไหมพระอริยสงฆ์นี่จะไปดูพระทั่วๆไปไม่ได้นหพระทบวทมาเลเพศไม่ใช่อริยสงฆ์อริยสงฆ์หมายความนั่นแต่พระโสดาบัยขึ้นไปถ้าสามท่านนี่ท่านดีแล้วก็ ม, นนวกมอบกายถวายชีวิตเลยเมื่อกี้ไม่ไดบอกแล้วนะขอมอบกายถวายชีวิตต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้า การมอบกายถวายชี้จะมันยอมรับนับถือพระองค์ด้วยความจริงใจแล้วก็จะปฏิบัติตามคําสั่งและคําสอนของเราทรงสั่งมายังไงสอนมายังไงจะปฏิบัติตามทุกอย่างตั้งใจเสีเดียวนี้นะแบบนี้นี่คําสั่งอันดับแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทุกท่านจงมีสี จำลับพระวาดอันดับแรกก็สินห้าระบุสองร2อยี่สิบเจ็ดศิลปินี่ขาบทผ้าขอดิมันจะเป็นจะตายยังไงก็ตามเราไม่ยอมละเมิดแน่นอนสินั้นมันขาดยากมันต้องขาดด้วยเจตนาถ้าเราไม่ตั้งใจเราไม่เห็นเราเผลอไปมันผูกตัดตายมันก็ไม่บาป ของก็หล่นหลวมีเจ้าของเราไม่รู้มีเจ้าของเราหยิบไปเมาถือเป็นการรักการขโมยแต่พอเออเจ้าของเขมาโทรมาถมามก็ให้เขาเราไม่รู้มีเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นตั้งใจรักษาสิ่งห้าบริสุทธิ์ทั้งบัณฑรวาดสิ่งห้าเนี่เป็นสี่งสิ่งเข้ามสนดาเราสกขชาติมีถ้าบุคคลใดเพศจิตรักสิ่งแปดเป็นปกตินั้นจิตเริ่มเขาเป็นตัวอนาธรรม อันดับแรกตั้งใจไว้เลยเดิ้วตั้งแต่เวลานี้ไปจะเป็นจะตายใงเราทไม่ละเมื่อสิงห้าแนะ่เว้นไว้แต่เผลอเผลอเขาไม่ถือว่าทําลายจิตเมื่อจิตแน่แนะ่แล้วก็ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราเกิดมันมากเราบำเพ็ญบรารมีรามามมดีถึงขนาดนี้แล้วเวลานี้เราเป็นคนที่มีบรารมีเป็นบรารมีธรรมบารมี ถ้าเราจะงมัวคิดอยากจะเกิดเป็นคนเป็นเทวดาหรือพมนี้แล้วก็โง่เต็มทีแต่คนอย่างเราเคยเป็นที่เกิดเป็นเทวดามาเยอะเกิดเป็นพรมมาเยอะมันก็อยู่ไม่ได้ต้องกลัมาเกิดเป็นมนุษย์บางใช่ก็เผลอลงนรกไปแต่ไปเราไม่เอาเทวดาหรือพรมนี่เกิดแล้วมาอยู่ปกติไม่อยู่ตลอดเราก็อยู่ที่ตลอดตลอดอย่างเดีย อยู่ใหม้มันสบายไม่มีความสุขไม่มีแกลไม่มีป่วยไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่นั่งเขาเรียกกันวันอินิหารเราก็ตัดสินใจเลยว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายฉันเอาจุดเดียวคือต้องการอภิพนนิหารในการเรียบอภิ น, นิหารได้ต้องกันนรกืซอก่อนคือมั่นมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำบารสง์ เอาสินหา้าเป็นกำแพงกั้นนรกกั้นนรกโดยสินห้าคือพระพุทธธรรมประรสงค์ก็ดีศิน ห, าหน้าโดยกลางดีเท่าทสองสองอย่างมีครบเพรับพระพุทธเจา้าด้วยประธรรมโดยประสงค์ด้วยมีสินห้าบริสุทธิ์นี่กั้นนรกได้เดืดขาดแ ล, ะะล้วก็นกกหน่อจากกันนรกอำนาพระพรุทธเจ้าประธรรมประสงค์นั่นอำนาจศินจะพาเราไปดิพาน ดนัเนเนี่ยกำลังพระพุทธเจ้าว่าทำมาส่งอำนาจสินยาพาบนันที่านแล้วก็ตั้งใจบนันที่านถ้าเราไม่ตั้งใจไปเราดือ้อท่านพาเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไม่ดือ้อไม่ดือ้อทําไงตัดสินใจเลยตั้งนี้ไปฉันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทําความดีทุกอย่างนแต่เวลานี้ไปฉันต้องการนิพพานร่างกายนี้มันตายเมื่อไรฉันไปนิพพานทันที ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้วันนี้คนที่ยังไม่ได้ได้จําใช้ทัดเจนคนยืนได้อยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้นไปทุกวันทุกวันจะคล่องทุกอย่างยานที่ได้ัจงหมดไม่มีการเสื่อมต า, าย เ, าเมื่อไรวันพันธ์มานนั้นถ้เาเวลานี้ก็หมดเวลาต่อที่ไปก็ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายกุศลนนะเดีวยวเฉพอะย่างยิ่งพุ่มมาใหม่ ให้เริ่มภาวนาวั น, วนมะพระธาาุธนะแค่เวลาสิบห้านาที mm hmm. เวลาให้ใจเข้านึกวัานามะแะ้วให้ใจออกเรื่อพระถ้าเวลาที่มีคนเขาไปนั่งคั่นนาเขาจะแนะนําตอนนั้นหยุดภาวนาใช่ไม่สนใจกระโหลกใจก็ออกฟังคำเขาแนะนำเขาแนะนํายังไงตัดสินใจเป็อย่างนั้นถ้าเขาถามว่าเห็นอะไรไหม ความจริงมันยังไม่เห็นแต่ว่าจิตมันรู้เพราะแต่จิตอาทิตย์อยู่ครยานเคยจิตมันเป็นทิพย์ไม่ใช่ดวตาเป็นจิตจิตมันไม่ทิพย์มันรู้ถูกรู้ตรงถ้าบอกเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าไหยจิตมันบอกมีตอบเลยมีพระเจ้าแต่งตัวยังไงรู้ว่าจิตมันไม่กดเขียวกดเข้ยวแดงกดแดงมันนึกเองไม่ได้สมาธิบังคับความเป็นทิพย์บังคับพอครูเขายืนยันสองสามคำ ตอนนี้ความสว่างเริ่มเกิดเริ่มเห็นภาคที่แล้วมัรู้ทางใจเสร้ดได้ เ, ดเห็นภาคชัดต่อไปเขาจะพาไปพุทธลามณีพราะถึงพุทธลามณีจะสว่างชัดเจนดีกว่าเก่าไม่มากนักก็จะเห็นพาพจริงต่อไปเขายะพาไนิพพานตอนนี้แก่คนใดถ้าไปนิพพานได้วันนี้ตายเมื่อไรก็นิพพานานั้นต่อ น, นี้ไปขออนรดาตแทนพุทธบริษัททุกท่านเริ่มปฏิบัติได้